เมื่อเรามีทางการกุศลเคยบอริจาคอยู่ในจิตในใจเราตายไปพบหน้าชาตหน้าเราก็จะมีบุญกุศลเก่าก่อนมันติดจนตามไปถึนจังห่ะกรรมคนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้เหตุผลมีกรรมเป็นแรนเกิดมีกรรมมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นถี่ ถ, ถ, ถึงที่อาศัยไม่ใช่อันอื่น กรรมที่เราสะสมเอาไว้เป็นของของผมในแต่คนอื่นก็จะไม่แย่งไม่ขโมยเอาไปได้มีกรรมเป็นสื่อให้ผลเราจะสุขจะทุกข์ก็เพราะกรรมของเราเคยกระทาบำเพ็ญมาแต่คนที่มีพิฏฐิมานนะคนที่เป็นฐานในพิจารณาธรรมะไม่ไดคิดอย่างนะ อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ทำมาทางนั้นไม่ใช่ใคนอื่นเข้ามาทำให้ทำไมว่าเกิดเดยวดยืนเหลือเกิ น, นก็นกคนทุกคนปรารถนาอยากจะได้สมบัติพัฒฐานเท่ า, ทาอของกันทางนั้นหาแต่เล็กยันตายบางคนก็มีในรวยให้สักทีอดจนลำบากยุ่นยากอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งวันตาย ไม่มีอะไรที่จะเป็นชื่นจนอันดีดีให้เพราะกรรมของเขาสะสมเอาไว้ในทางชั่วทางเสียถึงมีกำลังกายที่จะก่อร่างสร้างตัวอย่างนั้นอย่างนี้สติปัญญาวิชาความรู้มันต้อหมีทานทงว่าไ ร, ร้ทัพ์อับปัญญาครับที่ตพวจะหามา มันกงมีเพื่ออะไรมีปัญญาที่จะหาถึงได้มาก็มีอ th ันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้เลยเหว่ยเหยงสักทีจนกระทั่งวันตายนี่คือคนไม่มีบรื่มีกุศลเรื่อมีบรืงมีกุศลน้อยถึงอยากได้ใฝ่ฝันมันก็บร่เตนไปให้คนที่มีกุศลผลบุญที่เขาสะสมเอาไว้เขาเกิดมาไม่เปล่าเหมือนกันกับพวกเราแต่เขาเกิดมาแล้ว เขาแสวงหาอันน so <c oughs> <dynasty> ั้นก็ได้อันนี้ก็ได้ถูกจังหวะให้ได้มากกม่มีภัยอันตรายเลยลังเลยเขาของเงินทองหมากไม้กกยกองขึ้นถึงจะลุ่มยู่ยิ่งหลานของคนอื่นกว่าตามเขาก็ยังรวยยิ่งกว่าคนที่เป็นตู่เป็นตาของเขาเพราะอานาจศาสนาบุญกรรมที่เขาทำมา แตกแตกต่างกันกับตูกับตานะนี่ก็พอพวกเราจะพิจารณาได้ว่ามันเป็นจริงไหมโลกอันนี้หรือมันเกิดมาทุกยากลาบากเห็นใจด้วยกันเกิดมาสุขลำรวยเสวยงามด้วยกันมันไม่เป็นอย่างนั้นโลกอันนี้มันมีคนสุกคนทุกข์คนรวยคนจนเพราะบุญกรรมผี่คนนั้นสะสมอบรมมา ผิดแปกตกต่างกันทั้งทั้งจิตใจอยากได้ไ ฟ, ฟ่ฝันแต่มันเป็นไปไม่ได้ตามจิตใจคงค ง, ง, งปรารถนาเพราะกรรมเก่าที่เราทํามามันผิดแปกแตกต่างกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงจริสอนให้กระ ท, ทําบุญเพิ่คุณงามความดีเอาไว้เรายังไมห่หมดพิเลนต์ตัณหาหมดโทหมดชาติเมื่อะไรเราจะเยน็นฝ่ายตายเกิด อ, อีกเกิดไปแล้วความลําบากยากจน คนทุกประถนาไหมไมีปราะถนาอยากจะไปปล่อยวางวันเวลาทําคุณงามความดีให้ตาหน้าทํางทำเชียเ่อยังมีชีวเป็นอยู่ตายไปแล้วมีคุณค่าไม่มีความหมายอะไรในบาดหญิงบาดชายในบาดฆราวาสหรือนักบวชตายไปแล้วไม่ได้อะไรผมคนแล้วฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเขาก็ไปฝังไปเผาตามหน้าที่ของเขาทุกไม่ ฝังไม่เผามันก็เป่วยเน่าไปตามหน้าที่ของมันถาดอันใดเคยเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟมันก็ไปตามถาดของมันไม่มีอะไรผิดจะติตตนตามตัวไปนอกจากกรรมคือเราก่อร่างสร้างเอาวไว้ต่านั้นแต่นั้นจงพากันพิจาราสอนจิตอบรมใจคลองตนสะสมอบรมคุณงามความดีเอาวไว้สะสมยุนเอาวไว้ทานก็ควรเสียสละ ให้ไว้เกิดมาศาสตรใดยังไม่ถึงที่สุดยินมุทิพานเราจะได้อาศัยทานม่เป็นคนอดอยากจากจนคินก็ควรรักษาในควรที่จะปล่อยปะละเลยรักษากายและรักษาวาจาของตนสิ่งใดเป็นทุกข์เป็นโทษทําให้สัดอื่นคนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายอย่าไปคิดไปทําสิ่งนั้นถ้าไปทําเข้า เราเองคูอจะได้รับผลคนที่เน้นคนที่มีศีลรักษาเอาไว้เกิดในภพใดชาติใดมีอายุยืนโรคภคยไม่เบียดเบียนอยู่สุขอยู่สบายในเงื่อนไวยัดข้องถึงสมบัติเข้าคลองมีมากมายก่ายกองขนาดไหนจะโรคไคยเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาหาความสุขความสบายไม่มีมี ทรัพย์มีสมบัติมีเข่ามีขวางมีเงินมีทองแต่จะชายจะสอยจะอยู่จะกินไม่ดัเพราะความไในสุขในสบายโรคภัยภายในยืเหยัดเยียดรักษาขนาดไหนก็ไม่หายต้องการปราศถนะไหมถ้าไม่ปราศถนาอย่าไปละอย่าไปทิ้งศีลต้องรักษาเอาไว้ศีลเป็นเครื่องประดับทําให้กายของเราสดสวยงดงามไรโรคภไข้ไขเจ็บ ท่านจรงเห็นอำนาจของศีลนี่เป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่งควรทุกคนจะศึกษาและลงมือปฏิบัติเอาไว้เพราะทุกคนราถนาความฝึกกายฝึกใจาหากเรามีศีลมันมีความฝึ ก, ค ว, กความสบายให้ถึงเข้าของเงินทองจะหนักมายกายกองขนาดไหนโรคใครเดียดเดียนมันมีฝึก เราอยากสุขเราต้องต้องพึ่งปฏิบัติต้องรักษาปัจจุบันทำตาศีลก็ยังมีคุณค่าสําหรับโลกไม่ใช่ศีลคือลา่าจะไหมคนที่รักษาศีลเป็นคนไม่ยิงงานอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปเชื่อลมปากของเขาความจพี้ยนศีลมีอยู่ในว่าภู้หญิงในว่าผูชายในว่านักบวชหรือขลว่า มันเป็นค่องดีทั้งนั้นความรู้จะเรียนมามากขนาดไหนแต่ไม่มีศีลทำภาย ใ, ในใจเขาไม่นียมเลื่องใส่ไป่ถานที่ใดก่อแต่ภครอันตรายไม่มีใครชอบไม่มีใครปรารถนาลูกที่ไหนเชื่อวฟางฟั ง, ฟงคำของพ่อนม่พ่อนม่บอกว่าให้ทาทำอันนั้นมันกก ฝาพื้นทำก่อแม่นี่ไปขโมเออยเอาอัน น, น, น, าานั้นไปใช่เอานี่ไปขายปาถนาะไหมในปาถนะทานั้นนี่คือความหวนไวยาครอบครัวถ้ า, าลูกนี่เป็นที่ใบหน้าเชื่อใจสามีนี่เป็นที่ใบหน้าเชื่อใจภรรย า, าเป็นที่ใบหน้าเชื่อใจเพียงแค่นี้ครอบครัวนั้นจะมีฐานะดีขนาดไหนไม่มีความสุขกายสุขใจเอาเลย เพราขาดศีลคือความไว่เน้เชื่อใจคือสัตร์สุจริตต่อกันฉะนั้นศีลจึงเป็นเรื่องสําคัญถึงใครเขว่ามันคืบมันล่าสมัยนั่นเขาคุมว่าเขาคืบเขาล่าสมัยไม่ใท่ศีลมันคึบมันล่าสมัยขาดดีดีโบยกันรักขโมยกันสนขี่กันมันเป็นเรื่องสงบสุขหรือมันเป็นเรื่องก่อทุกข์เดือดร้อนแก่โลก หากทุกคนทําไปอย่างนั้นเราจะมาอยู่ห่วมกันอย่างนี้ได้มไหมลงกันเป็นผักเป็นปลาไปนี่แต่ข้าใจแจ้งกันว่ากันตีกันฟันกันมันก็เป็นนือหนโลภมื อ, มมอมหนดีหน้าอาศัยถึงบ้านใ จ, ใ จ, จะใหญ่จะโตมีปราสาทหล้าสวัางสวยงามขนาดไหนถ้าหากคนอยู่ในนั้นเป็นภัยอันตราย ไม่มีศีลม่ทำขากันแย่งกันด่างนะมันก็ไม่น่าอยู่ฉะนั้นศีลจึงเป็นหลวงควรที่จะส่งนวลรักษาปานาที่บาปการไม่ทำไม่เบียดเบียนในขาเขาเราก็เกิดมาชาติใดก็ไม่มีใครมาข่ามาเบียดเบียนเราโรคภัยไข้เจ็บโกงเนี่ยเบียดเบียนเราเราก็สุกเราก็สบายอาทิตย์น้าทานเราไม่เคยรักเคยขโมยเขา เรามีเข่าของเงินทองมาเขาก็ไม่รักไม่ขโมยของเขาหรอกของเราได้เพราะเกรงใจหวาดหวั่นคุณนักธรรมที่เรามีไว้พราอจะไปลักไปขโมยผิดมันอ่อนมันเกิดความฟัวขึ้นนี่คือคนไม่เคยทํากรรมชั่วมาถึงเข้าของเงินทองที่หามาได้มีคนอยากได้คนจ่าถนายะ จะไปกีดไปต้นมันก็ไปไม่ได้พอเรากรรมเชื่อที่เราไม่สร้างเอาไว้แต่ก่อนรักษาคุ้มครองผู้บวชไปที่แบบให้ผลผลไปจากทางตาอย่างนั้นท่านจึงให้รักษาศีลในศีลที่อื่นมีจีตกางกีงง่วิชาของเราเรารักษาเหนออะไรก็ได้ไม่ต้องไปหามาจากพระจากวัด ปฏิบัติกายมาจาความตัวในทางที่ชั่วที่เสียใมควรไปทำสิ่งไดดีมีประโยชน์ทำสิ่งนั้นนี่เป็นอันรักษาหินถึงเราจะในสมาทานออกปากหนอไเพือเขารู้ก่าตามแต่เรามีเจตนางดเว้นภายในสิ่งใดที่เป็นภัยอันตรายสิ่งใดที่ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายเราไมา่ไปทำเราชั่วเรา รักษาศีลในกายในใจของเราคนนั้นตายไปศีลกุลงคองรักษาภาวนาพอควรกระทำอีกเหมือนกันการภาวนานั้นก็ไม่ลงทุนอะไรเราจะกําหนดใจทองเราเหนอะไรเราก็กําหนดได้เพราะว่าใจนี่อยู่ในตัวของเราไม่ได้ไปหามาจากที่อื่นเราจะบริกรรมพุทธโธพุทธโธกว่าพุทธโธดีไหม ใจของเราทำจิตทำใจของเราให้เกาะเกี่ยวยึดมั่นในพุทธโธอยู่นั้นใจที่เค ย, ยวิ่งวุ่นแส่สายไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆมันก็เยียกเย็นเข้าปล่อยวางออกอารมณ์ต่างเพราะเราอยู่กับพุทธโธผู้มีสติควบคุมรักษาดูอยู่ตลอดเวลามันก็สงบระงับให้ใจก็ ส, สว่างสวายใจก็เยือกก็เย็น นี่คือการบำเพ็ญด่านภาวนาสูอที่มีทานศีงภาวนาประจากายวาจาใจทั้งตัวอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นคนดีไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันอนาคตต่อไปกี่พันกี่แสนกี่ล้านคนทั่วไปก็จะนิยมเรื่อนใสในคนดีคนชั่วคนเสียนั้น ไม่มีใครปนะ่าถนาไม่ว่าอดีตย่อนมาหรือปัจจุบันเป็นอยู่อนาคตต่อไปก็เสมนเดียวกันเพราะความชั่วความเสียนั้นไม่มีใครอยากได้ไม่มีใครปนะ่าถนาตัวเองก็อนในสองการคนอื่นเขาก็ในสองการดังนั้นเราจะทําอย่างไรจึ่งจะทํากายวาจาใจท่องตัวให้สะอาดทํากายทําวาจาใจท่องตัวให้เกิดประโยชน์ควรพินิจพิจารณา การทำมังเพนเอาเสียในเมื่อยังมีชีวิตเต็มอยู่นี่ควรจะห่วงจะห่วงอะไรจนเกินไปเพราะเราห่วงขนาดไหนชีวิตวันคืนเดือนปีผ่านไปมันก็หมดไปเรื่อยเรื่อยเราทําความดีมันก็หมดไปเรามานั่งห่ีงมันก็หมดไปเราจะไปหลัไปนอนมันก็หมดไปวันเวลาไม่เคยค่ายไขหมดไปเรื่อย แต่มันก็เปลี่นจิงชีวิตของเราให้แก่ไปทุกวันทุกเวลาผล ท, ที่สุดก็ถึงที่หมายปลายทางคือความตายด้ยวยกันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะห น, นี้ความตายไปได้ถึงยุกยาจะดีขนาดไหนก็ไม่มีทางจะรักษาความแก่ความตายให้หายไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอริยสัจคือเป็นของจริงที่พระพุทธเจ้า รู้พระพุทธเจ้าขอใจ่าเกิดอีไเนีัยจะต้ตอนมีการแปลปวนและแตกสลายจะมียาดีขนาดไหนรักษาใครต่อใครมาให้หายไปได้ก็หายสิ้งชั่ว ร, ระยะหนึ่งแต่ต่อมามันก็เป็นอีกเยื่องโลกไขไข่เสียบผมที่สุดมันจะไปถิงจุดจบของมันคือความตายร่างกายของพวกเราทันเป็นอย่างนั้นทุกคน ควรสนใจปฏิบัติคุณงามความดีเอาไว้อย่าไปนอนใจตายใจกว่าตายไปแล้วมันจะเป็นอย่างไว้ช่างมันนั่นแหละเนี่ยเวลามันไปโดนเข่ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันทุกข์มันยากมันลำบากลำคาญไม่ใช่คนอื่นจะมาช่วยเหลือตัวพวกเราได้ตัวพวกเราเองจะรับผลของกรรมที่ตนทําไว้เมื่อเราสอนใจพวกเราอย่างนี้ เราก็ไม่กล้าที่จะไปทําชั่วหลีกเล้นความชั่วเห็นความชั่วเป็นของสกปร ก, ฤกเห็นความชั่วเป็นไฟที่แผดเผากายใจของตัวเห็นชั่วเห็นเสียเป็นสิ่งที่ไม่สะาดถนาละเวทเห็นดีทั่วไปที่ควรจะกระทําได้เป็นของที่ควรทําควรต่อพฤติปฏิบัติ เม่เราสอนใจพวกเราอย่างนั้นเราเขา้าใจตามความจริงอย่างนั้นเราก็ลงมือปฏิบัติตม่คอยวันนั้นคืนนี้ไม่คอยอะไรมาช่วยเหลือสนับสนุนให้พระพุทธเ จ, จ้าสอนเรื่องข้องกรรมอย่างนี้เลยสอนให้เชื่อเนืองนาในสอนให้เชื่อเรื่องภายนอกอย่าไปเชื่อเรื่องภายนอกนิ่กว่าเรื่องข้องกรรมที่เราทําไป เรื่องภายนอกมันช่วยอะไรไม่ได้เรื่องตำหรับตำราของทานของคนที่หลอกลวงหากินมันมีมากมาทำอย่างนั้นจ ะ, จะล่ำจะร้วจะดบจ ะ, ด, ด, จะ ด, ดีทำอย่างนี้จะทุกข์จะยากจะลำบากองถามันไม่เป็นความจินไปให้ถ้าเราทำดีความดีนั่นแหละจะเป็นผลพวยได้จิตตัว ของเรามาถ้าเราทําชั่วถึงเขาจะให้พรว่าดีวิเศษขนาดไหนความชั่วนั้นมันก็จะให้ผลให้กําไรต่อการจัดทำของตัวพระพุทธเจ้าจาึงสอนว่าสุนัขัดตังสุมังคลังสุปปาราตังสุหิตั ง, ต ง, ตงถ้าในถือการถือเวลาถือหนึงคนตื่นข่าวทางศาสนาการใดที่เราทําดีพูดดีคิดดี การนั่นแหละเป็นมงคลเวลานั่นแหละเป็นมงคลเวลานั่นแหละเป็นเหลกอดีเป็นรามดีเป็นเพราะดีแก่เราอย่าไปถือว่าวันนั้นดีวันนั้นเป็นวันที่ชั่วที่เสียอย่าไปทำแต่วันดีวันที่เขาว่าชั่วเว้นหิไม่ทาเราเคยไม่เคยฝัน เคยคิดน่พจน์นาไหมวันดีถ้าเราอยู่ธรรมดาไม่กินข้าวปลาอาหารอะไรมันอิม่มวันดีเราไม่ทำการงานอะไรงานนั้นมันสำเร็จเสร็จสิ้นมาให้เข่าของเงินทองไหลมาบ้านของของเราเพราะวันดีมีไหมเกิดมาไม่มีพระพุทธใต้จ่าอสอนว่าการทำดีนั่นแหละเป็ น, นดีดีงามดีมงคลดีถ้าทำเชื่อต่ตรงกันข้าม ในต้องเรียกร่อฮะว่าให้ความชั่วมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเองเพอเราทาชั่วจะเป็นวันดีขนาดไหนฆ่าคนมันก็ยังผิดกฎหมายวันชั่วขนาดไหนทำความดีมันก็ยังเป็นความดีอยู่อย่างนั้นมันคืนปีเดือนมันจึงไม่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญอยู่ที่การกระทำของเราในเชื่อมัน่น การกระทำของตนทาไปในทางที่เป็นบินเป็นกุศลเป็ น, นเป็นกุศลตลอดเวลาถ้าทาไปในทางชั่วทางเสียก็ชั่วเสียไปเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะห้ามกันความชั่วเสียของเราถ้าเราคิดคิดนิพิจารณาอย่างนี้การถือหลุงามยามมีต่างๆมันก็ค่อยจะตกไปการเชื่อลมปากของคนที่ว่า ทำอย่างนั้นมันจะร่าจะรวยทำอย่างนี้มันจะเสียจะหายโดยการเบี่ยงเบียวต่างๆมันก็จะหายไปจากความเชื่อความถือของเราภายนอกอย่างนั้นเชื่อมั่นในอดในธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทํากรรมดีเมื่อไรกรรมดีนั้นจะถิ่ดอกผลให้ทำกรรมเชื่อเมื่อไรกรรมชั่อก็จะให้ร้ายเสื่อเสียเจียกายเสียใจทพ่งตัว ถ้าเราคิวิจารณาได้อย่างนี้เราก็จะลงมือปฏิบัติถูกต้องมีงานสะสมคุณความดีเอาไว้ในเนื่อชีวิตยังคงอยู่เพราะเรายังไม่หมดกิเลสตัณหายังจะเวียนเ่ยนายนตายเกิดอีกจะต้องอาศัยบุญกรรมที่เราทำเอาไว้ศารถนาจะไปเกิดที่ไหนได้ตามความต้องการของใจเพราะ เรามีคุณความดีเหมือนกันกับเราเงินทองเพียงพอบริบูรณ์แล้วเราจะอยู่บ้านนอกคนละหมดอยากจะสร้างบ้านใหญ่โรงงานใหญ่ขนาดไหนก็ได้เพราะเรามีเงินทองเราอยากจะกินอะไรอยากจะไปที่ไหนได้เข้ามาขายให้เงินจนเกลียวสารพัดนึกสําหรับชาตมนุษย์เราเพื่ที่มีเงินสามารถที่จะ ไปไหนกินอะไรทำอะไรได้สะดวกสบายพอเป็นไปตามฐานะหน้าที่แต่จะเอาเงินนั้นกำจัดกิเลสตัณหาหาน้าที่ผิกกำจัดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แต่เงินก็สนับสนุนความสุขให้พอสมควรบุญกุศลที่ส่วกเราทั่วไปสะสมไว้ในกายในใจก็ทำหนงาเดียวกันเมื่อเรามีแล้ว ในจิตในใจของเราเราอยากจะไปเกิดพบได้ชาติใดที่ไหนอยากจะไปเกิดเป็นกรสัตรหรือเป็นเศรษฐีกุลพีก็ได้เพราะเรามีเงินมีทองเหมือนกันกับเราจะไปอุดรเราไม่เคยไปสร้ง า, างบ้านสร้างซ่องไว้แต่เราจะไปนอนโรงแรมไหนเราก็นอนได้พอะเรามีเงินเสียให้เราอยากจะไปเครื่องบินจากอุดรไป ยิเถิดดูไปต่างประเทศก็ได้นั่งไปนอนไปก็ถึงถ้าคนหนึ่งมีเงินมีทองมีเป็นอย่างนั้นจะต้องเดินไปนอนก่อนอนตามดินตามหญ้าเพราะไม่มีเข่าของเงินทองที่จะเสียค่าโรงแรมให้เขามันทุกข์มันลํำบากมันยากมันยนอย่างนั้นเงินทองภายนอกก็อเมร์ความฝุ่ให้ในปัจจุบันท่านตาท่าพิจารา แต่บุญกุศนีีสามารถอําวยวยชัยให้ประเสดวิเศษก้อนเงินก้อทองหลายเท่าเราอยากจะไปสวรรค์นิพพานก็ได้เพราะอำนาจบุญกุศลที่เราสะสมเอาไว้ภายในใจของเราฉะนั้นเรา่ยางของกายก่ออาศัยปัจจัยทั้งสี่คือเครื่องหนึ่งเครื่อนหงสของอยู่ของกินยาแกโรคที่อยู่ที่อาศัย มีปัจจัยเรื่องอาศัยขครงกายไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆราว่าจะต้องอาศัยปัจจัยทั้งสี่ด้วยกันทั้งนั้นขาดปัจจัยทั้งสี่นี้ไม่มีความสุขความสบายให้ไม่มีผ้ามือผ้าห่มหัวหนาวมาก็ลําบากลําคาเหนื่อยจรงของดูของกินงมาหิมาโกนเหมือนกันมีเรื่องของกายเราทุกคนก็เคยรักษากันมา พอได้พักผาอาศัยแต่เรื่องของใจเรมีที่ผึ่งหรือยังที่ผึ่งของใจในนี้มันกวดทุกขก์ก่อลำบากอย่าไปหาให้แต่จะเรื่องของใจ่ายเดียวเรื่องของใจก็ต้องหามาให้อะไรเรื่องของใจคือธรรมนะพยายามรักษาพยายามประเปฏิบัติกําจัดความยุ่งเหยิงขัดข้องโลดโกรดหลงออกจากใจ หายใจสงบหายใจเยือกเย็นหายใจเห็นอากเห็นธรรมนี่คือการไม่มองข้ามเรื่องของใจกายก่อตพืชปฏิบัติไปใจก่อตพืชปฏิบัติอีกรักษาเป็นคู่เพียงกันไปในหมื่งยังมีลมหายใจอยู่คนที่ทีนี้ที่จะมารักษาอย่างนี้เกิดมามีคุณค่าเกิดมามีสาระเกิดมาไม่เป็นโมฆะบุคคล แน่จะเวียนว่าใ้เกิด อ, อยู่ในวัฏฏะเชิอสองสารคนนั้นนั้นก็จะมีความสุขความสบายตามฐานะหน้าที่บุญกรรมที่เขาทำเอาไว้จริงควรที่พวกเราทุกคนสมใจนำไปที่นีพิจารณาศึกษาลงมือประปฏิบัติโดยอานาจบุญกุศลคุณความดีที่เราสะสมอบรมมา จะตามคุณครองรักษาถูกปร ะ, ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วมีความสุขความสบายในภพชาติที่จะเกิดต่อไปดังนั้นขอทุกท่านเมื่อได้ฟังธรรมะเสียธี่ายมาจงนำไปที่นิพพิจเรนาแล้วลงมือ ป, ประพฤติปฏิบัติและขอคุณพระรัตนใจจงคุ้มครองพวกท่านทุกคน ให้ไปรสบความสุขความเจริญดังได้อธิบายมาเห็นว่าพอสมคว ร, รออเกินเวลาเพราะยุติเพียงแค่นี้การจีดธรรมะก็จะจีดธรรมะแบบป่าเพราะพระต่างก็ศึกษาตลอดตำราอย่างสึกอยู่ในบ้านนเมือง เดินเป็ใหญ่ไปสูดไต่ตามเลือดของตามีการไปเกิปฏิบัติใครที่ใใจอย่างเราจปสูดกันไปตามรลือดทางศาสนาจะเกิดขเดิมที่ศาสนาจะมีขึ้นกดเฉพาะพระพุทธเจ้า พียเจ้าของเราท่านแบ่ไปศึกษาสถานที่อื่นศึกษาจากป่าศึกษาจากธรรมชาติคือลงมือปฏิบัติด้านจิตใจขัดข้องอะไรจะได้แก้ไขเลยคือเลื่องของป่ายาป็น มหาวิทยาลัยเ <c oughs> พราะป่านั้นเงียบสงบแม่มีเสียงรบกวนไม่มีคนเสินผ่าแตม่มีการงานอะไรอื่นผ่านก็ไปขอเชื่ปฏิบัติตามป่าเรื่อยไปจนตลอดวันตัดสูก็ตัดสร้ในป่าแสดงคำะสมเจรนากดแสดงคำในป่า ตลอดถึงปริญิุกานถึงมีประชาชนผู้คนรื่นใสใจบิณสร้างสถานที่ให้เป็นวัดใหญ่ใหญ่อย่างเจดตะวันหรือเวฬุวันบุคขารามเหล่านี้เป็นต้นตอนท่านจะปริญิุกานเพียงจังท่านก็ไปเยี่ยมสถานที่เขาก่อสร้างให้เดินไปดูเรื่อย เดินไปถิ่นเสวงพระราหอุทยางถูกมันละกสัตต์ก็ไปนอนในป่าร่มไม้เป็นที่ปริดิษฐานของท่านหรือหงของพุะตุทธเจ้าเสื่อมถูกเราม่เป็นอย่างนั้นมากอยากจะอยู่เป็นที่เป็นฐานเป็นป่าเป็นของไม่น่าอยู่หนาอาศัย เพราะจิตใจของผู้ชมคนหนาทั่วไปใส่คิดติดข้องกับเรื่องตามอารมณ์ต่างๆยินดีชอบใจรู้เสียงกลิ่นรสสัมผัสจริงๆเหล่านี้ปกติไม่ว่าจะมนุษย์พวกสัตว์ที่ได้สารกดติดข้องเหมือนกัน ความติดข้องในกามอารมณ์นี้เป็นสิ่งที่ทำความสุขความสบายให้สาหรับผู้ที่ยินดีพอใจแต่ความทุกข์ความลำบากยากเย็นนั้นมีมากหากจะพัฒ น, นาแล้วเรื่องความทุกข์เพราะความติดข้องของกามอารมณ์มากไมยจนเลง สามารถที่จะบรรยายให้ถึงได้คนเราที่มีความร้องไห้เสียใจที่ไรลำพันต่างๆโดยส่วนใหญ่จิดข้องในวัตถิในการมรั้งนั้นท่านที่ประพฤติปฏิบัติอัดทำละถอนเปลียนไยในเรื่องเหล่านี้ท่านในยินดีจิตขอ้องจิตใจของท่านสว่างสวยัยจิตใจของท่านเบาสบาย อยู่สถานที่ใเดเย็นใจเป็นสุขหรือ ท, ท่านในจิตข้องไหเรื่องกามอารมณ์ต่างๆทางที่จะปฏิบัติให้ละถอนเ่องความจิตข้องเหล่านี้พอพระไชยเจ้าเคยคิดนิพพิจารณามาเป็นระยะนาน็นได้ตสัสรู้มาแนะนำสัตว์ถั่วไปว่าการที่จะต้เพปฏิบัติใจ ใร้่มเยินต้นสุขไม่มีทุกเกี่ยวข้องต้องอาศัยการภาวนาเือ่ยการสําระจิตใจของตัวไม่ใช่จะเอาวัตถุมาสําระได้วัตถุจะมีมากขนาดไหนใจจะไม่มีเมืองพอไม่มีเมืองอ่นมีมากเท่าไรก็ยิ่งอยากได้เท่ามีคูนขึ้นไป เมื่อว่าตังแตะอุทุชนหรือคนยากจนธรรมดาอย่างพวกเราท่านปกติเนี่ยยังเรามีสมบัติมากถ้ามีพันมีหมื่นกับเขาเราคงจะเย็นใจสบายใจพอได้พันได้หมืน่นยาวได้แสนพอมีแสนยาวได้ล้านมีล้านยาวได้พันล้านแสนล้านเรืออ่อยไปมันมีเงิพอรูปเหมือนกัน ที่เรายึดมั่นชอ บ, บ, บจิตติดใจโดยส่วนใหญ่รูปที่เราต้องการนั้นได้มา ใ, ใหม่ๆรูป ก, กำลังต้องการในจิตในใจก่จนเป็นสามสึกแต่พอมาดีรวมกันนานวเขา้าเกิดความบื่หน่ายไม่ชอบจิตติดข้องในรูปนั้นไปชอบรูป ใ, ใหม่จิตใจของเรามันเป็นอย่างนั้นทุกคนใส่ ถ้าหากเราตัง้งเศษเศษผลเรื่องเหล่านี้ใจเห็นเรื่องจิตเป็นอสติจิต เ, เป็นเรื่องอนิจจังไม่ตั้งมั่นหวั่นไหวตามสัญญาอารมณ์ถั่วไป